เสียงอ่านหนังสือรักแท้มีจริงรักแท้มีจริงและหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเชื่องานชิ้นบัญเจิดของดังตรินผู้เขียนเสียดายคนตายไม่ได้อ่านรักแท้มีจริงถ้าคุณรู้วิธีทำให้มันมีไม่ใช่เอาแต่คอยให้มันมา คำโปรยปกหลังนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณทุกคนให้หลุดพ้นจากคำสาปแห่งกรรมเก่ารับเอาพรประเสริฐแห่งกรรมใหม่ด้วยความเข้าใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนับแต่รู้ตามจริงว่ารักแท้คืออะไรไปจนถึงการสร้างสเสน่ห์เพื่อดึงดูดคนที่ใช่ตลอดจนรักษาเขาหรือเธอไว้เพื่อรอวันจากไปอย่างงดงามและเพื่อตามไปพบกันใหม่ในโลกที่คุณนึกว่า เป็นเพียงความฝันคำนำสำนักพิมพ์หยหาความรักกันบ้างไหมไม่ต้องสันนิษฐานก็รู้ว่าส่วนลึกของทุกคนปรารถนาไออุ่นในรักแต่คล้ายความรักจะประกาศกับโลกว่าถ้าอยากได้ไออุ่นก็ให้เอาน้ำตามาแลกความเข็ดหลาบนาระร่ะเหมือนเธะกลิ่นหอมหวานเย้ายวนแห่งรักเหมือนมนมายา ที่ครอบงามและสะกดจิตมนุษย์ให้หลงเวียนวนปราถนาไม่รู้เลิกจินตนาการอ่อนละไมไม่เคยหายไปจากใจคนจะนานจนเข้าใกล้วัวชราก็หาได้รยแรงวาดฝันไม่ทุกครั้งที่เจอใครสะดุดตาผ่านเข้ามาในชีวิตจะชวนให้อดถามตัวเองไม่ได้ว่าคนนี้ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่เอาอะไรมาวัดกันมีรักไม่ได้หมายความว่าจะสมหวังในรัก ไม่แม้แต่จะประกันว่าได้ลิ้มรสแห่งรักแล้วกระทั่งพิธีสมรสก็ไม่แน่ว่าเป็นงานประกาศข่าวมงคลอย่างเป็นทางการหรือเป็นแค่งานหลอกตามหาชนให้หลงร่วมแสดงความยินดีโดยไม่เคยมีความสุขอย่างแท้จริงอยู่ที่ต่างรับน้ําสังเลยด้วยซ้าหันไปทางไหนก็ชินตากับการเห็นคนร้องโอดโอยแขนขาถูกกับดักแห่งรักตรึงแน่น ยากขนาดไหนกับการเจอคนยิ้มหวานแหวกไหว้สำราญในทะเลอมรุตอันขุดสร้างขึ้นด้วยสองหัวใจแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีถ้าความเข้าใจอันใดจะนำไปสู่คำตอบทั้งหมดพวกเราก็สแสวงหาความเข้าใจนั้นเช่นเดียวกันกับทุกคนบนโลกงานเขียนของคุณดังตรินให้ความเข้าใจหลากหลายและหนึ่งในนั้นก็เป็นเหตุผลที่ตรงไปตรงมาทดลองและเห็นตามจริงได้ ไม่ได้เป็นแค่ปรัชญาที่เอาไว้แขวนผนังคู่กับรูปสวยเพื่อยืนยางาหน้าดูอย่างเดียวพวกเราเคยคัดข้อเขียนของคุณดังตรินเกี่ยวกับความรักและได้จัดพิมพ์เป็นเล่มแจกฟรีมาก่อนได้แก่วาทะดังตรินฉบับความรักหลากสีและดังตรินวิสัชนาฉบับรู้จักรักพบ ว, ว่าได้ทาความเข้าใจให้เกิดขึ้นในวงกว้างเป็นประโยชน์อย่างที่พวกเราเองก็คาดไม่ถึง คุณดังตรินเองก็แสดงความชื่นชมกับการคัดสรรของพวกเราและได้เห็นผลตอบรับจากคนอ่านหน้าใหม่ๆว่าเกิดแรงบันดาลใจอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพียงใดฉะนั้นคุณดังตรินจึงดำริจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับความรักขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะให้ครอบคลุมที่มาที่ไปของความรักอย่างครบถ้วนในเล่มเดียวไม่กระจัดกระจายเหมือนชิ้นงานเกี่ยวกับความรักอื่นๆ และด้วยดารินี้ของคุณดังตรินพวกเราจึงเห็นควรที่จะร่วมมือร่วมใจกันก่อตั้งสำนักพิมพ์หาวฟ้าขึ้นมาโดยมีรักแท้มีจริงซึ่งคุณกำลังฟังอยู่นี้เป็นการประเดิมและจะได้ทยอยจัดพิมพ์งานใหม่ที่ส่งคุณภาพอื่นๆออกมาต่อไปโดยมีความมุ่งหวังสำคัญคือจะได้มีส่วนในการเปลี่ยนโลกนี้ให้ดีขึ้นบ้างชายหญิงไม่ได้มาจากดาวคนละดวง คนทั้งปวงเกิดจากความไม่รู้อันเดียวกันตลอดจนมีเหตุผลในการดำเนินชีวิตเหมือนๆกันนั่นคือกิเลสสั่งให้ทำอะไรก็ทำสำนักพิมพ์ฮาวฟ้าหวังว่าหนังสือรักแท้มีจริงจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจเหตุผลที่ถูกต้องของการพบรักแท้หนังสือเล่มนี้อาจไม่ใช่มนเรียกความรักให้มาหาคุณในสามวันเจ็ดวันเพื่อจากคุณไปในสามวันเจวันแต่หนังสือเล่มนี้ จะทำให้คุณใจเย็นลงตลอดจนเต็มใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อพร้อมจะพบชีวิตคู่ที่เป็นสุขไม่ใช่ยอมลงทุนลงแรงเสียเวลาคอยเสียเวลาคบเพียงเพื่อให้อยู่กับรักที่เป็นทุกข์เหลือทนสํานักพิมพ์ฮาวฟา อารมณพบทแห่งรักแท้ยังไม่ทันต้องรู้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงคาว่ารักแท้ก็ทำให้คุณฝันอย่างเป็นสุขได้แล้วระหว่างรักแท้กับนิทานรักบางทีเรามักเอามาปนกันถ้าได้ยินได้ฟังนิทานโรแมนติกหรือนิยารักอมตะเรื่องใดเราเกิดความประทับใจมากๆส่วนลึกของเราก็มักรอความรักแบบนั้นๆโดยไม่รู้ตัว ตัวอย่างประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองนะครับมีรักแท้ในนิทานอยู่สองเรื่องที่ประทับใจและคาดว่าจะยังฝังแน่นอยู่ในความทรงจำไปจนตายวันนี้จะเล่าให้ฟังนิทานรักเรื่องแรกเล่าผ่านเสียงเพลงไทอาโลลิบบอนอาราวดิโอโอ k t ท e e หรือผูกริบบิ้นเหลืองรอบต้นโอ๊กทีนะ เนื้อหาของเพลงกล่าวถึงรักแท้ที่ไม่แพ้การเวลาและเป็นรักที่ชนะแม้ความหน้ารังเกียจเดียดฉันของอีกฝ่ายเรื่องมีอยู่ว่านักโทษคนหนึ่งเพิ่งออกจากคุกหลังจากติดอยู่นานสามปีและก่อนพ้นเขตทันทสถาน <c oughs> ก็ได้เขียนจดหมายถึงคนรักว่าตอนนี้เขาเป็นอิสระแล้วและสิ่งเดียวที่อยากรู้คือมีสิ่งใดที่ยังเป็นหรือไม่เป็นของเขาอยู่หากเธอยังต้องการเขา ก็ขอให้ผูกริบบิ้นสีเหลืองไว้อันหนึ่งบนต้นโอ๊กในสนามหน้าบ้านหากนั่งรถบัสผ่านมาแล้วไม่เห็นริบบิ้นบนต้นโอก๊กเขาก็จะไม่ลงจากรถบัสและผ่านเลยไปเพื่อลืมเรื่องราวแต่ขนหลังเสียกับทั้งจะตำหนิตนเองที่ก่อเหตุให้ต้องลงเอยอย่างนี้ไม่โทษเธอเลยที่ตัดสินใจอย่างนั้นเขาว่าเอาเข้าจริงพอใกล้จะถึงบ้านเขากลับไม่กล้ามองคาตอบที่รออยู่ ได้แต่ไหว้วานคนขับรถให้ช่วยมองแทนว่ามีสิ่งใดอยู่บนต้นโอกระหว่างริบบิ้นกับความว่างเปล่าเขาได้รำพึงรำพันจนคนในรถได้ยินอย่างหมดเลือกว่าทิแท้เขาเป็นนักโทษที่เพิ่งได้รับอิสรภาพแต่เหมือนยังคงติดคุกอยู่และมีเธอในบ้านหลังนั้นถือกุญแจดอกที่จะปลดปล่อยเขาออกมาจากโรงขังกุญแจดอกนั้นก็คือ ริบบิ้นสีเหลืองบนต้นโอ๊กซึ่งเขาเขียนมาขอไว้เพียงมีริบบิ้นสีเหลืองอันเดียวบนต้นโอก๊กเขาจะเป็นอิสระทันทีเมื่อรับทราบความในคนทั้งรถเลยปล่อยเป็นหูเป็นตาแทนให้พร้อมกันซึ่งหลังจากผ่านเวลาระทึกทุกคนก็มาถึงเขตพิพากษาและบัตรนั้นเองคนในรถก็พากันชัยโยโหร้องลั่น ทำให้หนุ่มผู้รอคอยคำตอบต้องลืมตาขึ้นและแทบไม่เชื่อสายตากับภาพที่เห็นเพราะมีริบบิ้นนับร้อยทอประกายเหลืองอารามตอบรับสายตาอยู่บนต้นโอก๊กริบบิ้นหนึ่งอันจะน้อยไปกระมังคนรักของเขาคงเกรงจะไม่เห็นจึงสู้อุตส่าห์ให้คำตอบที่หนักแน่นออกมาจากหัวใจที่ยังเต็มเปี่ยมด้วยความรักท่วมท้นขนาดนั้น เป็นความรักที่ยินยอมรอคอยด้วยความซื่อสัตย์มั่นคงไม่แปรใจเป็นอื่นทั้งรู้ว่าคนรักของตนกลายเป็นไอ้ขี้คุกไปแล้วเมื่อเนื้อร้องมาประกอบกับท่วงทำนองและจังหวะที่เรื่อนรมผสมเศร้าได้อย่างลงตัวทำให้นี่เป็นเพลงกินใจขนาดที่เกือบทุกคนฟังแล้วสะอึกอึง้งด้วยความตื้นตันถึงไม่เห็นตัวเธอก็เห็นภาพรักแท้ของเธอแจ่มชัดผ่านริบบิ้นนับร้อยที่ถูกบรรจงผูกไว้ ราวกับรักนั้นจะเข้ามาเบ่งบานเป็นนิรันดร์ในหัวใจคุณไปด้วยเรื่องราวช่างน่าปลื้มจนอาจสะกดคุณให้ลืมนึกถึงไปด้วยซ้ำใช่ไหมครับว่าอดีตหวานซึ้งชวนโงนปานใดจึงบรรดาลให้หญิงสาวปักใจรักชายสักคนได้มากมายปานนี้เพลงนี้โดนใจแฟนเพลงระดับโลกเลยละ่ะเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ในเดือนพฤษภาคมหด้วยยอดขายแผ่นเสียงสามล้านชุด ภายในสามอาทิตย์แถมออกอากาศอย่างต่อเนื่องแบบฮอตฮิตเป็นเวลา17ปีแม้กระทั่งถึงวันนี้ก็ยังมีเปิดให้ฟังประปรายที่นอนที่นี่ทุกวันนี้คุณเองก็ฟังได้จากอินเทอร์เนต็ตทันทีความจริงก็คือเพลงนี้เสกสรรปั้นแต่งขึ้นโดยเออร์วินลีไว์กับรัสเซลบราวน์ซึ่งกล่าวว่าได้ไอเดียเพลงจากเรื่องเล่าต่อๆกันมาอีกที ทว่านี่จะเป็นนิทานหรือตำนานปราปรามาแต่ไหนก็ตามเพลงผูกริบบินรอบต้นโอก๊กก็สะท้อนว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ยอมฟังนิทานเรื่องรักอมตะชนะการเวลามีจริงด้วยกันทั้งนั้นเมื่อชื่นชอบก็แปลว่าส่วนลึกของทุกคนหวังจะให้รักแท้มีจริงและอาศัยเพลงนี้เป็นเครื่องวัดรักแท้ในใจคนก็น่าจะหมายถึงความพิศวาสความผูกพันความมีใจเดียวทนทาน และท้าทายการเวลาโดยไม่ยิรกว่าจะมีเรื่องเลวร้ายขนาดไหนดาน้ามาพิสูจน์ขอเพียงมีตัวตนของคนรักขอเพียงได้มาซึ่งตัวตนนั้นที่เหลือจะดีหรือร้ายเพียงใดก็ไร้ความหมายสิ้นเชิงจบนิทานรักเรื่องแรกมาถึงนิทานรักเรื่องที่สองเรื่องนี้เล่าผ่านภาพยนตร์โทรทัศน์ชุดทวายไลทโซนหรือแดนสนธยาชื่อเรื่องคือ To see The Invisible Man หรือเพื่อจะเห็นมนุษย์ล่องหนได้ถ่ายทำตั้งแต่ปี2528ดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นของโรเบิร์ตสติวาร์เบิร์กตัวหนังบอกแต่แรกว่านี่เป็นโลกสมมุติเป็นแดนสนธยาซึ่งโลกนั้นผู้คนเต็มไปด้วยความอบอ้อมและมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีกับทั้งรังเกยียจพวกทำตัวแปลกแยกจากสังคมเป็นอย่างยิ่ง คณะผู้ปกครองจึงตรากฎหมายหดโหดออกมาข้อหนึ่งคือให้ถือว่าความเห็นแก่ตัวไม่เอาใครไม่ยิ้มไม่ทักทายไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเด็กสตรีและคนชราจัดเป็นอาชญากรรมที่ต้องถูกลงทันหนึ่งปีโดยที่ระหว่างการต้องทันนั้นห้ามใครพูดคุยกับอาชญากรไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานคนเดินถนนตลอดไปจนกระทั่งเหล่ามนุษย์ล่องหนด้วยกัน หากใครคุยด้วยจะพลอยได้รับโทษต้องกลายเป็นมนุษย์ล่องหนหนึ่งปีโดยไม่มีข้อยกเวน้นงานเนี้แอบคุยก็ไม่ได้นะครับเพราะในแดนสนธยาจะมีหุ่นสอดแนมทรงกลมลอยมาตักเตือนและถ้ายังขืนพูดคุยต่อจ่อไม่หยุดก็เสร็จเลยจะพลอยโดนลากตัวไปรับโทษตามกันทันทีตัวละครเอกมีนามว่ามิเชลแชปลิน เริ่มเรืองขึ้นมาคือชาตที่แชปลินกำลังถูกตรึงข้อมือทั้งสองไว้กับแขนเก้าอี้และโดนสารไร้หน้าพี่พากษาให้เป็นมนุษย์ล่องหนในข้อหาชาเย็นต่อสังคมซึ่งโดยนิสัยของแชปลินแล้วเขาไม่ได้สำนึกผิดหรือกระทั่งแคร์กับบทลงโทษนั้นแม้แต่น้อยแถมยังแค่นหัวเราะเอ่อยเย้ยสารอีกเสว่าสารเป็นบ้าหรือไงที่คิดว่าทันต ก, กรรมนียจะทาอะไรคนอย่างเขาได้ เครื่องหมายของมนุษย์ล่องหนคือแผลเป็นหน้าเกลียดกลางหน้าผากใครก็ตามเห็นแผลเป็นนี้เข้าเป็นต้องหลีกหนีกันกระเจิดกระเจิงเพราะเกรงกลัวโทษของการเข้ามาสูงสิงกับมนุษย์ล่องหนดังนั้นหลังกลับออกสู่โลกภายนอกพร้อมหน้าผากประทับตราบาปก็ไม่มีใครกล้าหยุดทักทยายเสวนากระชับลื่นเลยแม้แต่คนรู้จักที่เคยสนิทสนมกัน ช่วงรแรกชัปลินออกจกสบอารมณ์ด้วยซ้ำที่ผู้คนแกล้งไม่เห็นเขาปล่อยให้เขาทำอะไรล้ําเส้นแค่ไหนก็ได้เช่นเมื่อพนักงานตักอาหารทำเป็นเมินเขาก็กระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปเลือกตักอาหารเอาตามใจชอบหรือเมื่อพนักงานสปาทำเป็นไม่สนเขาก็เข้าไปดูผู้หญิงแก้ผ้าในห้องอบไอน้าพร้อมกระเซ้าเย้าแย่ต่างๆนาน า, นาโดยไม่มีสาวใดศบตา หรือแม้แต่จะกล้ากระโตกกระตากวายวายเลยสักนางเท่าว่าวันเวลาผ่านไปความคลึกครื้นของการทำเรื่องเร็วๆก็ค่อยๆหดหายกลับกลายมาเป็นความรู้สึกว่าโลกเงียบเหงายิ้มเยาะโลกของแชปลินค่อยๆหุบลงทีละน้อยเราไม่มีใครคุยกับเขาจริงๆไม่แม้แต่จะแสดงทีท่าว่าเห็นเขาเหมือนเขาแปลสภาพเป็นอากาศต์ธาตุไปแล้วนั่นเอง บีเพชับลินเริ่มหาคนคุยด้วยโดยเริ่มจากมนุษย์ล่องหนที่มีแผลเป็นหน้าเกลียดบนน้าผากเหมือ น, อนกันแต่ไม่สำเร็จเพราะทุกคนต่างหวาดกลัวการได้รับโทษเพิ่มโอกาสเป็นอิสระจะกลับถูกยึดให้ห่างออกไปอีกชับลินยิ่งรู้สึกแยกขึ้นเรื่อยแม้แต่ชายตาบอดที่หลงทักทายเขาให้โอกาสเขาเอ่ยนามแนะนาตัวหลังจากไม่ได้ยินชื่อตนเองมาเนิ่นนา น, าน ก็ลุกหนีทันทีที่มีคนมากระซิบบอกว่ากำลังคุยอยู่กับใครแถมด่าฝากทิ้งท้ายโทษฐานที่แช ป, ปลิ้นเกือบทำให้ตนพลอยซวยไปด้วยเมื่ออดรนทนไม่ได้พอเจอเพื่อนมนุษย์ล่องหนด้วยกันเป็นสาวน้อยหน้าตาบอกบุญไม่รับคนหนึ่งแช ป, ปลิ้นก็ทลาเข้าไปอ้อนวอนแบบสิ้นท่าเหมือนขอทานไร้ศักดิ์ศรีที่ขอรับเพียงการพูดจาสนทนากับเขาสักแค่นาทีเดียว แต่สาวน้อยหน้าบูดนางนั้นก็ตัดสินใจปฏิเสธโดยไม่เอ่ยอะไรสักคำเดินหนีท่าเดียวทั้งที่เห็นแชปลิ่นร้องไห้คร่ำครวญขอความเมตตาอยู่อย่างนั้นนั่นเพราะเธอกลัวบทลงโทษที่จะเพิ่มขึ้นเกินกว่าจะเห็นแก่มนุษยธรรมใดๆคืนหนึ่งขณะที่แชปลิ่นกำลังเดินโตแต่ไปตามทางนั้นเองเขาเห็นวัยรุ่นกวนเมืองกาลังขโมยรถคันหนึ่ง และเมื่อพวกนั้นเห็นรอยแผลเป็นบนหน้าผากของแชปลินก็ขับรถที่ขโมยมานั่นเองแล่ชนแชปลินเปรียงเข้าให้ผลคือแชปลินขาหักแต่หมอไม่รับรักษาและถูกปล่อยให้นอนบิดตัวไปมาด้วยความเจ็บปวดส่งเสียงร้องหหยหวนทั้งคืนโดยปราศจากคนเหลียวแลเพราะความเป็นความตายของนักโทษล้องหนมีค่าเท่ากับศูนไม่มีใครต้องรับผิดชอบ หากมนุษย์ล่องหนต้องเสียชีวิตลงด้วยการถูกทอดทิ้งวันคืนอันเน็บหนาวฮฤโหดผ่านไปแล้วในที่สุดวันรับอิสรภาพก็มาถึงใบหน้ากระด้างแววตาชาเย็นเห็นแก่ตัวกับรอยยิ้มเย้ยโลกแบบเดิมหายไปแชปลิ่นกลายเป็นอีกคนที่แค่คนยิ้มเป็นอากับกิริยาอ่อนโยนลงและพูดคุยกับคนรู้จักด้วยท่าทีเป็นมิตรมากมาย เรื่องน่าจะจบด้วยดีสําหรับชายหนุ่มผู้ได้รับบทเรียนอย่างสะสมรายนี้แต่ก็ไม่ง่ายเช่นนั้นเมื่อแชปปลินเดินไปบนฟุตบาทอยู่ดีๆก็ปะเข้ากับเด็กสาวล่องหนที่เขาเคยอ้อนวอนขอคุยกับเธอทีแรกแชปปลินเบื่อหน้าหนีแสดงท่าเพิกเฉยทันทีเพราะไหนจะยังสยองกับโทษทันที่เพิ่งผ่านมาหยกหยกไม่หายและไหนจะแค้นเคืองที่ครั้งหนึ่ง เคยถูกเธอปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใ่มาก่อนแต่เธออยู่ในช่วงทรมานเกินทนจนยอมเป็นขอทานไร้ศักดิ์ศรีที่เรียกร้องคำสักคำหนึ่งจากเขาเธอวิ่งไล่ยือ้อวอนขอไม่ให้เขาหันหนีเขาจะพูดอะไรก็ได้เธออยู่ตรงนั้นและไม่อยากเป็นมนุษย์ล่องหนอีกแล้วน้ำเสียงขมขื่นที่เกิดจากการผ่านคืนวันอันโหดร้าย ประกอบ ก, บกับการหยุดยืนก้มหน้าร้องไห้อย่างสิ้นท่าของเธอทะลวงผ่านประการแห่งความกลัวและความผูกใจเจ็บของแชปลิ่นได้สำเร็จแม้เขาจะได้ยินหุ่นสอดนามบินมาหึ่งหึงชายหนุ่มก็ลงตกทิ้งกระเป๋าถือลงกับพื้นและเป็นฝ่ายหันกลับไปสวมกอดเด็กสาวด้วยท่าทีของผู้พร้อมจะอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ความอบอุ่นกับเธอเธอร้องไห้โฮและกอดตอบด้วยความขอบคุณ แชปลินพรามบอกเธอด้วยท้อยคำที่ครั้งหนึ่งเขาเคยหอยหานั่นคือเธอไม่ใช่มนุษย์ล่องหนเขาเห็นเธอเธอมีเลือดเนื้อและตัวตนให้เขาแคร์หุ่นสอดแนมก็ลอยต่ำลงมาขู่เป็นครั้งสุดท้ายว่าหากไม่ออกห่างมนุษย์ล่องหนเขาจะต้องกลายเป็นมนุษย์ล่องหนอีกแต่แชปลินก็ไม่ได้คลายอ้อมแขนออกและยังคงปักหลักเป็นที่พึ่งให้แก่เธอ ทั้งรู้ชะตากรรมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนต่อไปหลังจากชดใช้บาปแห่งการเป็นคนเห็นแก่ตัวมาหนึ่งปีเต็มแชปพลินไม่ใช่แค่ดีขึ้นแต่กลายเป็นใครอีกคนที่ไม่อาจหาใครดีเท่านาทีแห่งการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของแชปพลินประทับอยู่ในใจผมไม่รู้เรือนขอเพียงคุณเข้าถึงความรู้สึกของแชปพลิน ก็เท่ากับคุณเข้าถึงชั่วขณะแห่งรักแท้อันอบอุ่นและงดงามยิ่งแล้วในความเป็นจริงจะมีใครหน้าไหนยอมเป็นความอบอุ่นให้กับคนที่เคยทอดทิ้งตนไว้กับความเยือกเย็นเล่าหากดูเรื่องนี้อย่างพยายามถอดรหัสสั ญ, ญลักษณ์ก็จะพบว่าผู้ประพันธ์พยายามบอกว่าพวกเราเป็นมนุษย์มีหัวใจและจิตวิญ ญ, ญาณที่น่าจะสูงส่งแต่ก็มักละเลย หรือดูดายต่อเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ที่ได้โอกาสกว่าเรากับพวกเขาไม่มีตัวตนหรือเป็นเพียงอากาศสาตว์เรื่อง t o seed invisible man ฉายให้เห็นว่าเพื่อจะเห็นคนไร้ค่าและได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากพวกเขาคุณต้องมีน้ำใจยิ่งใหญ่ผิดมนุษย์มนาและเพื่อมีน้ำใจยิ่งใหญ่ได้ขนาดนั้นคุณอาจจาเป็นต้องผ่านความทุกข์แบบเดียวกันมาเสียก่อน ประเด็นนี้สอดคล้องกับธรรมชาติกรรมวิบากอย่างดีทีเดียวคือถ้าคุณเห็นแก่ตัววันหนึ่งคุณจะไร้ค่าและไม่มีใครเหลียวแลยิ่งไปกว่านั้นเรื่องนี้ยังให้บทสรุปทางความรักที่มีค่าน่าจดจำทีเดียวครับนั่นคือความอยากช่วยนั่นแหละคือต้นทางของรักแท้คุณจะเข้าถึงรักบริสุทธิ์ที่ไม่เจือด้วยเหยือ่อลอใดๆ แม้กระทั่งเซ็กได้ก็ต่อเมื่อใจดีมากพอเท่านั้นเอาละ่ะกล่าวถึงรักแท้ในนิทานพอเป็นกระสายไปแล้วคราวนี้คงถึงเวลากล่าวถึงรักแท้ในโลกความเป็นจริงบ้างเนังสือเล่มนี้ตั้งใจบอกคุณว่ารักแท้ไม่ได้มีอยู่ก่อนและไม่เคยหายไปไหนเลยมันขึ้นอยู่กับว่าเมื่อไรใครจะสร้างสำเร็จเท่านั้น และเมื่อสร้างรักได้แล้วคุณต้องรู้วิธีรักษาด้วยโดยการเข้าใจกฎธรรมชาติที่สาคัญประการหนึ่งคือถ้าไม่สร้างอนิจจังขาขึ้นคุณจะต้องประสบกับอนิจจังขาลงเป็นธรรมดาแม้จะยังไม่พบรักแท้ในระหว่างฟังหรืออ่านหนังสืออย่างน้อยก็ขอให้คุณสงบพอจะเป็นคนรอได้เป็นสุขอยู่กับตัวเองได้ไม่บุ่มบามตามอารมณ์ และถ้าวันหนึ่งมีใครเคียงข้างก็ไม่สร้างทุกข์ให้กับเขาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเหมือนที่ผ่านมาครับในยอ่อหน้าจบนี้อยากเปิดเผยว่าที่เล่านิทานรักสองเรื่องให้ฟังก็เพราะอยากให้คุณฟังหรืออ่านหนังสือจบอย่างคนที่กำลังอำนาจสร้างรักแท้ไว้ในมือส่วนจะสามารถสร้างรักหวานซึ้งตรึงตราท้าการเวลาได้อย่างในเพลงทยโลริบอนราดีโอโที หรือสร้างรักที่ยิ่งใหญ่ขนาดสอนโลกได้เหมือนในหนัง to see the invisible man อย่างไรไม่สำคัญสำคัญที่ขอให้เป็นรักแท้ก็แล้วกันเพราะนั่นจะทำให้โลกที่กำลังขาดความรักอย่างรุนแรงใบนี้ดูดีขึ้นกว่าเดิมสิททีครับดังตรินพฤสภาคมพุทธศักราชส5 5 1